พระกรหันตาสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นม <c oughs> <c oughs> บัตนีีได้เวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดธมาิแสดงความองค์อาจกล้าหารในใจ ให้จิตใจมีความเพียรความมันความขยันตต่นขึ้นลุกขึ้นในหัวใจอย่าปล่อยให้อำนาจถีณมิทธะความง่วงเหาเหานอนเข้ามาถับผมการนั่งสมาธินีท่านมีระเบียดอยู่ว่าให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย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 จึงจะเป็นไปได้ให้ใจมันมีความเพียรความเพียรความหมั่นความขยันไม่ให้เกียดค้านไม่ว่าจะเป็นการห้องบทสัจทยายพระธรรมคำสั่งสอนก็ไม่ให้เกียดคานให้มันความเพียร น, นั้นคือว่าหมัน่นขยัน กราบพระไหว้พระสวดมนต์ก็อย่าเพียงหมายแต่ว่ามารวมในหมู่ในคณะกราบพระไหว้พระเราอยู่คนเดียวก็กราบได้ว่ายได้นั่งสมาธิภาวนาได้สวดมนต์ภาวนาได้เดินจมกลมได้ความเพียร น, นี่แหละท่านว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญ วิเยณะทุกขมัดเจติพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าผู้มีความภาเพียนพยายามแล้วกิจกรรมการงานใดๆไม่เหลือวิสัยผู้มีความเพียรพ้นทุกได้แต่ผู้มาภาวนาตั้งใจปฏิบัติ ไม่มีความเพียรแต่อยากให้จิตใจของตนพ้นจากความทุกความเล่าล่อนต่างๆนานาทำอย่งางไรใจข้าพเจ้าจะสงบระงับมีอุบายอะไรก็อุบายไม่คี่เกียดนั่นแหละอุบายมันอยู่ที่ไหนอุบายมันอยู่ที่ความเพียร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 เมื่อมีความเพียรอะไรมันจะเหลือความเพียรโดพระพุทธเจ้าที่ด้านได้ตรัสโลเป็นประพุทธเจ้าท่านมีความเพียรสี่อสงไขยแสนมหากับท่านยังมีความเพียรความมันขยนัน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 ถ้าเราจะมาท่องแค่คำพูดเท่านี้จำได้แล้วก็วัดได้กิเลสราคะละไม่หมดชื่อว่าไม่ยังไม่มีความเพียนกิเลสโทสะในใจของตัวเองยังไปยึดไปถือมันอยู่ไม่ละให้หมดนั่นแล้วมันยังไม่มีความเพียนกิเลสโมหะในใจยังไม่หมดไปสิ้นไป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 นั่งก็ไม่ยอมให้มันง่วงเหงาหาหนอดยืดตัวขึ้นให้มันสูงสุดไม่ให้กระดูกสันหลังมันอ่อนลงไปได้เดีย๋ยวเพียนเพียนพยายามฝึกตัวเองอยู่มันจะเหลือผู้มีความเพียนไปไม่ได้เพราะว่า บนแผ่นดินนี้ผู้มีความเพียรผู้ไม่ทอแท้อ่อนแอในดวงใจไม่ว่าจะทำอะไรยอมสำเร็จได้ดูตัวอย่างประพุท ธ, ธิจาเมื่อเห็นแล้วเราก็ต้องตั้งความเพียรลงไปภาวนาลงไป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 วิลตในใจมนุษย์คนเรานะั้นมันเป็นไฟไหม้หัวใจของตนอยู่ทุกเวลาเรายังเด็กอยู่ไฟไหม้ไม่ได้ไม่ได้ก็เหมือนไฟภายนอกเด็กไปเผลอเข้ามันก็เหยียบไฟไหม้เท่าไหม้จิตเหยียบมากก็ไหม้มากเข้าโชกองไฟก็ตายเลย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 เมื่อจิตมันไม่มีความเพียรปล่อยให้กิเลสมันทับถมกายมันก็อ่อนแอท่อแท้ที่เศร้เหงานอนมันก็ไหลมาเทมาก็เพราะจิตมันไม่มีเพียรจิตมันไม่เตินขึ้นไม่ลกขึ้น จิตมันอ่อนแอทอแทนจิตมันคุนมัวมันไม่ใสพุทโธไม่อยู่ในจิตจิตไม่เข้าถึงพุทโธพุทโธโยภายในใจสว่างแจ้งไม่ลหลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลาย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 เมื่อทำจริงๆปฏิบัติจริงๆของจริงมันก็ปรากฏการขึ้นมาในที่ความจริงนั่นไม่ได้อยู่ในที่อื่นมันอยู่ที่จิตที่ใจของแต่และบุคคลไม่ต้องไปมัวสงสัยมีตกวิจารอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ทำจริงปฏิบัติจริง มันไม่จริงอย่าไปถอยความเพียนโดพระสาวกในขั้งพุทธการท่านทำจริงท่านเดินจงกลมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานท่านทำอย่างไรคำว่าจริง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 เมื่อเดินไม่ได้ท่านยังไม่ถอยความเจียนถ้าเราสมัยนี้ถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็นอนแผ่เท่านะั้นไม่เดินอีกต่อไปไม่ภาวนาอีกต่อไปแต่ท่านไม่ยอมเมื่อเดินไม่ได้เขายังมีมือยังมีคานเอาท่านว่าอย่างไรทีนี้ก็คานเดินจงกรมไปกลับไปกลับมา ไม่รู้ว่ากี่ข้างกี่ขนแหลนะเข่าแตกหนังเข่าแตกไปช่างมันไม่ใส่เข่าเราเข่าของกีเลศมือแตกแตกช่างมันเดินไม่ได้มันเจ็บแตกเลือดไหลเราได้คานภาวนาจนแตกเลือดแตกออกไหมไม่มี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 ทีนี้คานไม่ได้ท่านทำอย่างไรท่านก็ไม่ต้องนอนละแต่ท่านนอนขวางทางจมกลมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลับพลิกเหมือนกับเดินจมกลมในทางนั้นอีกมันเหยียดยาวลงตั้งไปหัวถึงตีนทีนี้มันก็ไม่มีที่ไหนแตกแล้วมันกลิง้งไปพลิกไปจนสุดทางจมกลม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 เขาผีหลอกเท้าผีหลอ ก, ลอกท่านไม่ยออ่อท้อใจไม่ยออ่อท้ออันอนั้นแหละแหละว่าความเพียนไม่ใช่คาเทียนพูดปลายเล่นเท่านี้ท่านมีความเทียนจริงๆไม่ยอมให้มันนิ่งทำมันนิ่งมันก็หลัพลิกไปกลิ้งกลมไปเรื่อยมันจะตายก็ช่างติง ได้ภาวนาทาความเปลี่ยนละกิเลสเป็นสิ่งสำคัญความตั้งใจองนั้นเมื่อถึงขั้นนอนเ ย, ยตามแผ่นดินเนี่ยกลิ้งไปเถิดมันไม่ไม่แตกแล้วที่เนี่ยมันไม่มีที่ไหนหนักถ้าเดินมันก็ไปลงหนักที่เท้าสี่ตีน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 ก็เพราะจิตอันนี้ไม่มีความผิดไม่สมกับพุทธภาสิทธิว่าวิริเยนะทุกขมัดเจ ต, ติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความียนไม่ใช่เพียงคำพูดวาจาที่เป่องออกมามันเป็นการกระทั่มทั้งหมดนั่นแหละโดที่ท่านทำจนกระทั่ง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 ถ้ายังไม่ถึงเอาให้มันถึงไม่ถึงให้มันตายเสียดีกว่ามาลอกินเข้าสุกทุกวันใจที่เกียจใจที่ค้านใจที่หลับที่นอนใช่ไม่ได้ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเพียงว่าเห็นคนอื่นง่วงเหงาหานอ น, อนตัวเองไม่เห็นตัวเอง ใจตัวเองไม่เห็นกายไม่เห็นจิตไม่เห็นทุกเห็นไัยในวัฏฏะสงสารยังจะมาเข้าใจผิดคิดหลงไปว่าความสุขความสบายในรูปในนามในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลในมนุษยโลกเทวโลกพรมโลกยังมีความสุกอยู่มันจะหาเอาความสุกอันเป็นสุกโลกีนั้น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 องบำเพ็ญทานลัษาศีลภาว น, นาบารมีสิบบารมีสามสิบทัดเต็มบริบูรณ์ทุกส่วนทุกประการเมื่อถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรเหลือแหละละกิเลสลาคะก็ได้ละกิเลสโทสะก็ได้ละกิเลโสโมหะก็ไ ด, ได้ไม่ได้อย่างไหนท่านมีความเขียน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 เป็นผู้มีความเพียรอันใหญ่ยิ่งไม่มีมนุษย์และเทวดาอินพรหมที่ไหนมีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองไม่มีใครมาเสี้ยมสอนให้พระองค์มีความเพียรเองความมัน่นความกระยันความอดความทน พระองฝึกฝนอดปลมจิตใจของพระองค์มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถอาถฐานทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าผืนแผ่นดินหนักเท่าไหร่มันเอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินลอยได้ดนั่นล่ะคือว่าใจพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเพียรใจพระ พัะเจกภพุทธเจ้าเป็นผู้มีเพียรเจตใจพระอระหันตากีนาศกเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความเพียรเจตใจของพระโซดาพระสักิทาคาพระอนาคาท่านเมความเพียรความสามารถอาศรานไม่ใช่ขี้เศร้าเหงานอนฟุ้งซ่านลำคาญ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 นักเท่าแผ่นดินก็เอาแผ่นดินปิวไปได้ความเพียรความหมัน่นความขยันความตั้งใจไว้ดีชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญกุศลเจ็บใจจะไม่สงบระงับไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่เราสร้างสรรค์ฝึกฝนอบรม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 กายวาจาจิตเนี่มันเต็มไปด้วยความหมั่นความขยันขันแข็งความสามารถอานหาันไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าเป็นคนใจดีใจงามใจฉเฉลียวฉลาดสามารถอานหาันไม่เป็นคนใจเน่าคนใจเน่าใจเหม็นไปโยที่ไหนก็เน่าที่นั่นเหม็นที่นั้น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 จึงให้เชื่อว่าเพียรเพียรละกิเลสมีมากน้อยเท่าไรกิเลสหยาบก็เพียรละให้หมดกิเลสอย่างกลางก็เพียรละให้หมดกิเลสอย่างละเอียดก็เพียรละให้มันหมดไม่หมดจะไปถอยความเพียรตั้งใจเพียรลงไปอย่างนั้นโยตลอดเวลา เมื่อมีความเพียรเต็มที่ได้เมือ่อใดเวลาใดมันก็รู้แจง้งรู้จริงขึ้นมาในหัวใจที่มีความเพียร น, นั่นแหละไม่ใช่มือเท่าร่างกายมันมีความเพียรเจตนันน่นมันมีความเพียรเจตมันมีความสามารถอ า, าจราพ์เจตมันไม่ท้อแท้อ่อนแอเจตมันมีสติ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 ยังไม่ตายมันวิเศษวิโสอะไรกิเลสเหล่านี้ให้พากันลุกขึ้นตื่นขึ้นอย่ามามัวนั่งนั่งนอนนอ น, น, อนเล่นอยู่เปล่าเปล่านั่งก็ให้นะภาวนาในจิตตั้งจิตให้มีความเพียนความมันยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อทาจริงจริงปฏิบัติจริงๆ มันไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นมันพอดีนะ่นทำเพียนให้มันถึงมันถึงได้ทุกขอนถึงได้ทุกหัวใจโลได้ทางนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นถามหัวใจของตัวเองว่ามันมมความเพียนหรือยังมันตั้งใจมั่นหรือยังในใจนะั้นไม่มั่นคงมันไปอยู่ที่ไหน ไม่ได้กินข้าว่าหัวใจหรือกินข้าวาหัวใจทุกวันทำไมใจมันจึงไม่มีความเพียนเพียนละกิเลสทำไมไม่เพียนเพียนเอากิเลสทำไมมันเพียนเอาได้กิเลสราคะโทสะโมหะทำไมมันมีเต็มกายเต็มใจเต็มวาจาของทุกทุกคน ไปไหนมาไหนก็กิเลสความโกรธความโลภความหลงแบกไปหาไปหามไปเถลองทถลากิเลสโลเลพระพุทธเจา้าสอนให้ละทิ้งได้ละทิ้งหรื อ, อย่างได้ปล่อยได้วางทิ้งหรื อ, อย่างไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้จะเอาไปทิ้งที่ไหนไม่ตั้งเดียวนี้ไปตั้งที่ไหน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 มีแต่ความอยากจะเป็นโน้นจะเป็น น, น, นี่จะเอาอย่างโ น, น้นจะเอาอย่างนี่แต่ว่าเท่าเส้นผมมันก็ไม่เอานะมันจะได้อะไรมันได้แต่ความขี้เกียจขี้ท่านมักง่ายท่อถอยกลัวตายใหใจมันไม่ลุกขึ้นไม่เพียนถึงขนาดนั้นพระสาวกเจ้าทั้งหลายใน พลังพุทธการท่านเดินจมกรมภาวนาทาเพียงอย่างเดียวจนนอนจมกรมแล้วก็ได้สำเร็จไม่สำเร็จมันไม่เยอะเหลือหละเอาถึงขนาดนั้นหละมันได้ทุกคนนั่นแหละนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก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 สาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องเอาไปทําความเปี่ยนละกิเลสในจิตในใจของตนไม่ใช่พระองค์ไปละกิเลสให้สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายละเองปฏิบัติเองถ้ามันเต็มที่เต็มฐาน เมื่อยังไม่เต็มที่เต็มฐานไม่ต้องบน่นทกอะไรท่นว่าไม่ต้องไปบน่นมีความอดความทนมีความเพียนความมันมีความกะยันขันแข้งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจในจิตในใจนะั้นกายวาจามันก็ไม่ท้อแท้อ่อนแอเหมือนกัน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 ความขี้เกียจขี้คานมักง่ายทันละทิ้งปล่อยทิ้งตัดทิ้งเอามันเด็ดขาดลงไปความเพียรมันก็เกิดขึ้นเต็มที่ไม่ว่ากิ จ, จกรรมการงานใดๆทายนอกภายในเมื่อมีความเพียรทำได้ปฏิบัติไนดะ้ทุกอย่างไป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 โลจักูกแจ้งูกจริงลแจ้งแทงตลอดในโลกในทางโลกและทางธรรมมันมีอยู่ในหัวใจทุกคนแหละแต่ว่าทุกคนไม่เพียรพ ย, พยายามทุกคนมีความเพียรความมันความขยันขันแข็งสามารถอาจหารแล้วก็ย่อมสำเร็จรุลวงได้ทุกทวนหนา ฉะนั้นดวงจิตดวงใจของเราอย่าได้ประมาทต่อไปประมาทมาแล้วก็ให้แล้วไปตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาททกลมหายใจเข้าออกมารณะกรรมาฐานพุทธอในดวงใจไม่ให้หลงลืม ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายถ้ากันได้สดับรับฟังแล้วให้จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลชนี สัพพิตโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโย ο. สุขีทีขายุโกภวะอธิวาธนาศิริชนิจยังบุต ธ, ธาปาจิโนยัตตารโรธรร ม, มาวันติอายุวันโนสุขขังภาลัง